ที่ว่าวางเฉยมีอุเบกขาไม่แน่นะว่าจะดีถ้าเฉยไม่รู้เฉยเมยกลายเป็นเฉยโง่ยิ่งเต็มทีท่าทีการมองอีกอย่างหนึ่งเป็นท่าทีที่ผิดมานานแล้วในสังคมไทยคือมองไปว่าถ้าใครไม่เอาเรื่องเอาเราวเรียกว่าวางเฉยก็ถือว่าดีทำท่าจะยกให้ว่าเป็นผู้หมดกิเลส